พระอนบัญญตนอิอนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฉันบินธบาต ท, ที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียมต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่พัตหารที่กระหัสถรารุไว้ก่อนเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ